ของเขาเราเข้าโดยเข้าไปโดยบังเอิญฮะเรายังได้ขออภัยจากเจ้าของงานเขาว่าเองมาคราวนี้ไม่ได้ใส่สุดไว้ทุกเพราะว่าเข้ามาแบบรีบโดนรีบด่วนรีบเร่งเข้ามาแบบประทันหันเราก็ยังได้พูดแต่ในเรามาสู่วัดวาศาสนาก่อนที่จะเข้ามา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 จะได้ออกไปรบเพราะว่าในชนนบทมีโจรผู้ร้ายกำเริบเสบสารแต่นี้ขุนพลก็จะได้ออกไปสู้รบปาดกระบอกในชนนบทสมัยนั้นก็ต้องมีช้างมีมา้ามันไม่เหมือนมีจรวดดาวเทียมเครื่องบินอย่างทุกวันนี้ก็ต้องยกทัพออกไป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 ผู้ชายเป็นอันตรายเรื่องของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเป็นหรือสีสีผัยรักษาพรหมมาจันท์อย่างที่เป็นพิกจนีหรือสมณนนีหรือว่าเป็นเปลี่ยนแม่ชีอย่างนีน้ผู้ชายเป็นเป็นอันตรายไม่รู้ว่ารูปเสียงทั้งรูปทั้งเสียงกดลิ่นรสสัมผัสอะไรทุกอย่างเป็นอันตรายต่อเพศตรงตรงข้าม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 ตัวผู้รู้ในตัวใจเป็นผู้รับในรูปเสียงกลิ่นรสถ้าตาไปเห็นรูปเกิดราคะ เ, าเกิดสิ่งที่ชอบใจเราเกิดราคะแปล ว, ว่าลาคักกินา เ, นเกิดเป็นไฟขึ้นมาในใจถ้าหากว่าตาไปเห็นโรคเกิดโทสะเขาเบี้ยวปากใครเขาทําอากัปกิเลไม่อากัปกิริยาที่ไม่ถูกใจอันนี้เลยว่าเกิดโทสะ มันก็ย้อนก็มาหาใจว่าโทสักกินานะเนี่ยเมื่อเห็นรูปเราเกิดโทสะนะอหอ้ได้ยินเสียงก็เหมือนกัน เ, เสียงพอใจเสียงไม่พอใจลักขักกินาโทสักินาลักขักกินาโทสักกินาโมหกกินาโมหคินาคือความหลงหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส น, ะนี่แหละมันสู่เข้ามาสู่ใจทั้งนั้นพอใจเพราะเหตุอะไรพอใจยังไม่มั่นคง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 ชุตตวาท่หชั้นเอาวิหาอัตปาทุตสาทุตเสียกนิฐาอากินิฐาพรมคือพรมเหล่านี้นะเมื่อตัดกิเลสลาคานะเน่ไม่ยินดีในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตักละกโทสะไม่ยินดีในโทสะละโถมไม่โกรธไม่โมสุญเฉียวกับใครไข่ไม่รักไข่ไม่ยินดีไม่เกลียดไข่ ไม่รักนะไม่เกลียดด้วยนะจิตใจสแตนดารนะ์ดมาตรฐานนะเมื่อท่านตายจากมนุษย์โลกนะท่านก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่ชั้นพรมไปสู่พรมโลกไปอยู่พรมพรมพรมอนาคาเมียนะพรมอนาคามีอยู่5ชั้นนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอวิหาอัตปาเนะี่ยมีอยู่หชั้นขึ้นไปชำระใจของท่านอยู่นั่นนะ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 เมื่อท่านได้สาเร็จพระโสดาบันเป็นโลกุตระแปลว่าผู้ไม่เสื่อมในเมื่อท่านได้สาเร็จแล้วนะต่อไปท่านก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นผมท่านจะมาเกิดีก็มาเกิดได้สามชาติเจ็ดชาติสมชาติหนึ่งชาติหลวงพ่อก็เลยตั้งว่าพระโสดาบันเกรดเเกรดบเกรดสี่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 หมุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือพระโสดาพระสกทาคาเนี่ยเกิดเกิดชาติเดียวแต่ท่านไม่พูดชัดในพระบาลีเนี่ยท่านมาได้อธิบายชัดถึงพระอนาคาคาพระสกทาคา่ยแต่พระอนาคาคาเนี่ยท่านบอกบอกว่าเมื่อตายจากเมื่อได้พระสำเร็จพระ <c oughs> อนาคาคาแล้วจะขึ้นไปสู่ชั้นพรมห้าชั้น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 พวกเราคนเป็นคนป่วยเป็นคนป่วยแต่ชอบของแสลงมันก็ตายได้ง่ายง่ายเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพระเนนทุกองค์ณะตัดทายญาติโยมทุกมูเหล่าที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อทีพยหลวงพ่อพูดไปเนี่ยไม่ได้พูดเพื่ออย่างอื่นไม่ได้พูดเพื่อกะแหนกแหนโลกไม่ได้พูดดูถูกเยยดยามผู้ใดใครผู้หนึ่งนะ เ, เป็นการพูดให้เป็นแนวความคิด